หน่ยเล็กๆของชีวิตที่เราผ่านไปแต่ละช่วงเวลาซื่อคนเราส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้คํานึงถึงเล็กๆของชีวิตเรามองข้ามหมดวั น, นชีวิตเลยเลยเลยไม่ไม่หนักแน่นเท่าที่ควรชีวิตเขาหลวมๆเพล่าๆมัว่ๆเพลินๆไปตามสิ่งแวดล้อมแล้วแต่สถานการณ์พาไปเพราะชีวิตความหนักแน่นไม่พอ นั้นเราจะเห็นว่าอะไรก็ตามที่มันละเอียดมากสิ่งนั้นก็จะแน่นความควบแน่นก็สูงสิ่งไหนที่มันหยาบสิ่นั้นก็จะหลวมๆหลวมๆมไม่แน่นเรียกว่าปุถุชนก็คือคนอยาบทีนี้อริยอริยชนคือคนละเอียดละเอียดหมายถึงว่าการเข้าไปเกี่ยวข้องทุกๆอย่างโดยใช้ โยนิสูมนัสิการหมายความว่าจับรายละเอียดได้เยอะซึ่งจุดนี้จะทําให้เรามองอะไรได้เห็นได้ชัดในทั้งโลกนี่ถ้าเราเข้าผลดเกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องมือด้านสื่อเนี่ยถ้ามีรายละเอียดสูงก็ราคาก็แพงมากที่เรามาเรียกว่าเป็นพิกเซลบางเป็นใน <c oughs> หน่วยความจํา กาหน้าจอโทรทัศน์ถ้ามันมีพิกเซลสูงภาพ ก, ก็ละเอียดใกล้เคียงนะการขยายตัวก็เรียกว่าไม่แตกไม่พลา่า <c oughs> ในชีวิตของคนเราก็เหมือนกันคำว่าละเอียดในที่นี้หมายถึงว่าการที่เราไปรับรู้ต่อสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจนนั่นเองความชัดเจนกับความละเอียดมาด้วยกันยิ่งละเอียดก็ยิ่งชัดเจนนะ เพราะนั้นถ้าพูดถึงรายละเอียดของชีวิตในบางทีเรานึกไม่ออกเพราะว่ามัน เ, เราไม่คุ้นนะแต่ถ้าเราพูดอมาชัดเจนนะพูดชัดชัดสิเขียนให้ชัดชหน่อยสิดูให้ชัดชัดหน่อยสนะิมันก็จะเข้าใจได้ดูให้ชัดชดัหมายถึงได้เห็นไ ด, ได้ละเอียดขึ้นกนะ็าเห็นผ่านมองผ่านๆไม่ชัดนะมันเกี่ยวข้องกับ ความาความจำของเราบางคนนี่นะถ้านั่งรถไป ก, กับเขาเนี่ยสิบเที่ยวยี่สิบเที่ยวจาทางไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะเพลินไปเขาพาไปถึงไหนไม่รู้แต่ถ้ามาถึงตาที่ตัวเองต้องขับรถเองเนี่ยใช่ไหมไปไม่เป็นเลยทีเนี้ที่มาเองนี่นั่งรถไปกับคนรถเนี่ยเหมือนกับคนขับคนที่สองคนที่สองคนขับมันไปเที่ยวสองเที่ยวจำไม่ได้มาไปเที่ยวเดียวก็จําได้ก็ต้องบอกทางมาแล้วทีนี้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 สุขภาพนะจ๊ะถ้าเราเราไม่รู้เส้นทางเราจะไปที่ไหนเวลาเท่าไร่อะไรเนี่ยมันก็จะกะถูกกะผิดเสร็จแล้วเราก็ต้องไอกะทู ก, กะผิดนี่ทําให้เราสูญเสียนะเราก็ไม่แน่ใจแล้วก็มีความกังวลดังนะนั้นเองในชีวิตของเราจําเป็นต้องมีความชัดเจนนะนนปัจจุบันนี่จะช่วยเราได้เยอะในการที่เราเก็บเล็กๆ ล, กลกน้อยนเราอย่ามองข้ามนะว่าสิ่งนี้ไม่เห็นมีความหมายอะไร ร ล, ละเอียดเกินจาเป็นอะไรเนี่ยซึ่งจะทําให้เราข้ามมองข้ามในรายละเอียด ส, ส่วนอื่นๆไปด้วยนั้นการเข้าค่อยปฏิบัติในแง่ของวิปัสสนา ค, คือมาเก็บรายละเอียดของชีวิตและรายละเอียดของชีวิตอันนี้จะทําให้เราใช้ชีวิตที่ผิดพลาดน้อยนะในการที่เราผิดพลาดเยอะๆเพระเราข้ามรายละเอียดเยอะเกินไะปเหมือนเราขึ้นบันไดอ่ะ ถ้าเราข้ามหลายๆขั้นไปไงโอกาสตกบันไดมีเยอะนะถ้าข้าถ้าบันไดถี่เท่าไหร่ก็การขึ้นสบายก็ปลอดภัยถ้าสี่บันไดห่างเท่าไหร่โอกาสที่จะขึ้นยากแล้วก็ไม่ปลอดภัยก็มีเยอะชีวิตเราก็เหมือนกันการก้าวไปในแต่ละจังหวะของการเดินทางชีวิตเนี่ยต้องมีความละเอียดถี่ถ้วน ซ่งตมาเองก็ไม่ใช่เป็นคนที่ละเอียดอะไรมาก่อนเป็นคนอยากคนจับจดมักง่ายเห็นแก่ได้แก่เอาอะไรไ ม, ม่มีเหมือนกันทั้งหมดแต่พอเรามาได้รับวิบากกรรมจากความเป็นอย่างนั้นของเราเนี่ยเราเกิดการตระหนักรู้ว่าไอ้ทุกอย่างนี้มาได้อย่างไรปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วก็ย้อนคืนกลับไปดูแล้วก็ปรากฏโอ้เราข้ามรายละเอียดมาเยอะเลยเมื่อเป็นอย่างนี้พอเรามาเจริญ สติเราก็เริ่มซ่อมแซมในส่วนที่เราขาดหายไปชีวิตมันก็เริ่มเข้าที่เข้าทางอซึ่งบทเรียนอันนี้เอามาได้รับจากพ่อเทียนพ่อเทียนคือท่านสอนเราโดยอ้อมไม่ได้สอนเราโดยตรงหรอกถ้าสอนเราโดยตรงเราก็ไม่รับเพราะอะไรเพราะอัตราเราสูงโตเราอย่มาสอนกันนะเรื่องแค่นี้ใครก็ทําได้จะคิดอย่างนี้เราเผลอเยอ์ล่าว่าว่า เราดูถูกเห ย, ยียดหยามเราด้ซั่ไปใช่ไหมแต่พอท่านฉลาดท่านสอนเราได้อ้อมเนี่ยทานบุตรเวลาย่งโยงไปหาท่านเราด้วยความเริ่มใสประทับใจในการพูดคุยถามหลวงพ่อเวลาหนู ม, มีปัญหาผมมีปัญหาอะไรโทรมาถามหลวงพ่อได้ไหมหรือหลวงพ่อโทรไปหาผมบ้างก็ได้เนี่ยเบอร์โทรศัพท์อของผม รามีกระดาษอะไรแล้วก็เขียนเรื่องนั้นแล้วก็ยืนเขียนเรื่องน้นีทีนี้มันก็อยู่แผ่นนั้นเบอร์แผ่นนี้สองเบอร์เกะกะไปหมดใช่ไหมวันหนึ่งเอา้าาจาพรนี้เอาแผน่นพวกนี้ไปรวบรวมพทรศัพท์อดีตมาก็ไปนั่งพิมพ์ที่ะเบอร์ะเบอร์ใส่ในกระดาษแผ่นเดียวก็มาส่งท่านท่านก็ไปดูดูดยังใช้ไม่ได้นะ เราก็มาลองพิจารณาใช้ไม่ได้มาตรวจทีละเบอร์อีกเงียมันไหนถูกอันไหนผิดก็เรียงตามเบอร์ก็ถูกหมดด้วยนะนี่เพออะไรนี่เราอาจจะพิมพ์ห่างไปมั้งก็ไปพิมพ์ใหม่ขยับเข้าอีกกันนิดนึงมาดูขั้นที่สองก็ เ, เกือบใช้ได้แต่ยังใช้ไม่ได้บางเงี้ยเราไปนั่งพิมพ์ใหม่อีกเอาเม่อกีมันห่างไว้ขยับเข้าไปอีกนะตรวจเบอร์แล้วมันผิดตรงไหนก็ไม่มีผิดเนี่ยขยับเข้าไปอีกนะให้ชิดเลย มาดูขั้นที่สามเออนี่ใช้ได้เงนินนะอันนี้คือวิธีการสอนของท่านน ะ, ะท่านไม่ได้บอกว่าคุณนี่อย่าเพิ่งไปนะคนไม่ถีถ่ท่วนไม่ละเอียดอะไรท่านไม่ได้บอกอย่างนี้หรอกท่านให้เราไปทําท่านก็บอกถึงการจะทํำของเรานั่นแหละมันก็จะได้ตัวอย่างชีวิตเล็กๆน้อยๆอย่างนี้จากท่านแล้วก็มาปรับตัวเองแล้วได้เห็นอันนี้สงูงเห็นอันนี้สูงว่าการใช้ชีวิตที่ะละเอียดถีถ่ท้วน ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่บางครั้งมันก็ยังเผยอยากอยู่ก็มีเพราะมันเป็นนิสัยเดิมของเราซึ่งได้กล่าวโดยเช้าว่านิสัยนี้แก้ยากมากแต่ถ้าเราพยายามเนี่ยมันไม่เหลือวิสัยถ้าเราพยายามจะแก้มันก็ครอบคุมทั้งหมดการใช้ชีวิตของเรานะัารอยู่การกินการหลับการนอนที่อยู่อาศัยเวลามาไปสอบอารมณ์พระเนี่ยมันก็จะไม่ไปถามว่าคุณเป็นไงรู้อันนั้นไม่ไม่ถามไปดูที่อยู่ที่นอนด้วยกัน เป็นระเบียบเรียงถ้าเอขเเคะอยู่ก็ยังไม่สอบออปล่อยไว้อย่างนั้นแหละเพราะอะไรเพราะสิ่งที่ใกล้กลตัวง่ายๆเห็นหี่ง่ายๆมันยังไม่เรียบร้อยเลยอะอะไระะข้างในทั้งหมดเป็นสิ่งที่เห็นไม่ได้แล้วก็สัมผัสได้ยากมันจะไม่เรียบร้อยได้ไงขนาดสิ่งานอกที่เห็นอยู่มันยังไม่เรียบร้อยเลย อ, ะ, อะสิ่งเหล่านี้คือเป็นเครื่องเครื่องวัดนะตลอดถึงการอยู่การกินการ ใช้สอยไม่ใช่ใช้ไม่สอยพุทธเจ้าท่านละเอียดมากเลยเนี่ยท่านใช้คำว่าเสขียวัดวัดที่ต้องศึกษาแล้วก็ทดลองทําไปคือไม่ทําก็ไม่ผิดหรอกแต่ถ้าทําแล้วมันมันมันมีค่าเนี่ยสมมติไม้ชิ้นหนึ่งเนี่ยทําไม้แผ่นนี้เป็นไม้แผ่นธรรมดาเนี่ยมันก็ราคาก็ไม่กี่ตังค์เนี่ยแต่พอไปทํารายละเอียดอย่างนี้ขึ้นมาราคาต่างกว่าเดิมไหม ดังนะแผ่นหนึ่งถ้าสมมุติเอาไม้ทั่วไปเอาไม้นี่แผ่นใหญ่ยาวนี่เอไม่เกินห้าพันบาทแล้วหนึ่งหมืนบาทเนี่ยนะพอแกอีขึ้นมามันหนึ่งหมืนบาทไม่ได้แล้วไม่ต่ำกว่าสามหมื่นห้าหมื่นขึ้นไปอย่างเงี้ยอันนี้คือเก็บรายละเอียดในสิ่งที่มันไม่ละเอียดนะแต่เราถึงเครื่องใช้ไม่สอยแม้แต่พื้นที่เรานั่งนะถ้าจับไม้พืชมาวางเรียงๆเขปัดธรรมดานี่มันก็ไม่น่านั่นแต่พอมาเก็บเก็บรายละเอียด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 ร่างกายและจิตใจของเราให้ได้ก่อนตรงนี้เป็นต้นต่อนั่นที่มาเน้นอีนิบทย่อยมากนี่พ่อแล้เพราะมันจะทำให้เข้าไปสู่รายละเอียดของสมมติแบ่งรายละเอียดเป็นสี่ชั้น่ชั้นกายชั้นเวทนาชั้นจิตและชั้นอารมณ์สี่ชั้นเนี่ยกายที่ที่ว่ามันหยาบพิสูนแล้วเนี่ยถามว่าเราเก็บมันได้ทุก ันทุกตอนไหมนะไม่ได้ทุกขั้นทุกตอนแต่ทําให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เมื่อเก็บรายละเอยียดทางกายไม่ว่าอีบวเลข อ, อีบยวย่อยอีบวใหญ่ที่จะกำหนดไว้ทั้งหอย่างเนี่ยได้มากที่สุดแล้วต่อไปค่อยดูเวทนาเวทนาก็คือความเย็นร้อนอ่ อ, อนแ ข, ข, ข็งเคร่งชื้นไว้เจ็บปวดอะไรเนี่ยที่มันเกิดขึ้นณจุดไหนนะยิ่งเยอะเลยนะเวทนานะเวทนาที่เราเข้าไปเก็บเนี่ย เวลาเราจับนุ่นจับนี่ของหกตกลน่นเราเหยียบนั้นพลาดเหยียบนี่ผิดจับนุน่นพลาดจับนุน่นผิดได้รับการบาดเจ็บพลิกแพลงขูดควนทิ่มแทงอะไรพวกนี้ยทําให้เกิดการผิด พ, พลาดเกิดเวทนาได้ทั้งนั้นเลยนะแม้แต่เดินทางแม้แต่เท้าคลิกนิดเดียวนี่เราก็เป็นเรื่องละแม้แต่เอย่าว่าแตอื่นไม่แต่ทานข้าวนะฟันมันไม่ทํางานไม่ถูกที่ไปกัดเอา ก็พุ้งแก้มขัดเอก็เติบเรื่องแล้วเป็นเวทนาในสิ่งเหล่านี้ยเล็ ก, ล ก, ลกๆน้อยๆนะแม้ถึงถึงความอย่างหลายคนมาสังเกตเวลามาปฏิบัติธรรมการแต่งตัวนะถ้าชุดรัดเกินไปนะรัดเข็มขัดรัดเกินไปใส่กางเกงรัดเกินไปเสือ้อรัดเกินไปก็นักปฏิบัติคนก็จะมีปัญหาเยอะปัญหาทางด้านอารมณ์ นั่งแล้วกเกิดมันรัดมันแน่นเกนไปเกิดง่วงง่วงก็ไม่เก็บรายละเอียดอีกนะพอให้ง่วงไปก็ไม่รู้ว่าง่วงเพราะอะไรอีกก็อ๋อเขารัดเข้มขัดแน่นเกินไปทําให้อืดอัดแล้วเวทนามมนแรงมาใส่ชุดแน่นเกินไปสิ่งเหล่านี้ต้องต้องสํารวจตลอดเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนนะมาขอโทษนะเวลาลัดเข้มขัดลัดประคดเนี่ยพระเราจะใช้มัดใช่ไหมมัดเนี่ยมันคือมีล็อกเดียว สมมติอารมณ์มัดก่อนที่เราทานข้าวเนี่ยใช่ไหมมันก็พอดีใช่ไหมพอทานข้าวเสร็จไปไงมันตึงกันแน่นเลยใช่ไหมเลวลามันแน่นขึ้นมาเรานั่งต่อหน้าโยมเราจะไปเปิดผ้าปล่อยลัดประคบมันก็ไม่สวยไอ้ทำไมเอออามาก็มาทำซะใหม่ตัดสายประคบทออกให้หมดทําเป็นหัวเข็มขัดทหารเลยนะอใส่ไอ้ล็อกขอก่อนเนี่ยห้าขันข้นสิบขั้น ใส่เข้าไปแทนที่เราจะมีแค่มัดแค่ล็อกเดียวใช่ไหมก็ทําเป็นค่าล็อกสิบล็อกเลยล็อกนี้มันแน่นขึ้นไปกับปวดมันล็อกนี้ล็อกนี้มันหลวมเวลายับไปล็อกนี้มันติดหมดก็ทําง่ายเลยไอ้สิ่งเล่นี้เล็กเลกน้อยถ้าสังเกตแล้วการปรับชีวิตซึ่งทึ้งเป็นรายละเอียดที่สูงมากดังนั้นความสุขความสบายถ้าหาว่าเราไมา่ละเอียดไม่แยบใครมันหาไม่เจอแต่มันมันมีอยู่แต่ว่าเราเรานึกไม่ถึงอ่ะนะ อย่สมมติเราโยมใส่เข็มขัดล็อกเดีวเนี่ยนั่งอึดอัดอยู่เขาไม่รู้ไอ้ทําไมมันอึดอัดแต่ลืมลึกไว้ว่าเข็มขัดมันแน่นเกินไปนไอ้เราจะมาปวดกลางสารพจนก็ใช่ที่ใช่ไหมก็ต้องรอคนอึดอัดอยู่างเงียจนมันเสร็จงานแล้วก็ไปปวดล็อกอารมณ์ก็เสียไปตั้งนานเลยใช่ไหมเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครนํามาพูดกับเราแต่เอามาเห็นความสําคัญเพราะอะไรมันความสุขความสบายเล็กๆ ล, กลกน้อย หรือไอตัวไหนที่มันเกิดกับเราบ่อยๆเช่าตัวง่วงเนี่ยเกิดขึ้นเราบ่อยๆถ้าเราวิเคราะห์มันง่วงเกิดจากอะไรนะทนเช้ายงง่วงเกิดจากอะไรว้างนะที่บอกถามตอนเช้ากี่อย่างนะโยมตอนง่วงเกิดกี่อย่างที่มาบอกตอนเช้ายังไม่ได้แล้ยเอเกิดจากอะไรโทษทวนอทีเพราะจไม่ได้เราก็ไม่ได้มาพิจารณาใช่ไหมเพราะได้มาพิจารณา มันก็แค่ไม่เป็นพราะแค่ไม่เป็นแล้วก็ง่วงแล้วก็มึกอีกอยอะเงี้ยนะใช่ไหมเออนั่นนะเพราะความไม่แยบขายอ่ะแต่อย่าลืมเราค้อนนะีคอือคอสแห่ง ค, งความแยบขายนะเพราะฉะนั้นเวลามาลงลึกเรื่องเหล่านี้แปลว่าไม่ได้เพราะเราทั้งเป้าไว้อย่างนั้นนะตั้เป้าต้องแยบคายเอ้ยจะมานั่งง่วงเงบีบๆให้เห็นนี่ไม่ได้ต้องใส่กันได้เหมืน <laughs> อนเดิเพราะอะไรเพราะมันเป็นเรื่องที่เรากำลังทําอยู่อ่ะกําลังศึกษามันอยู่นะแต่ง่วงนั่นก็ดีเราจะรู้ว่ามันเกิดอย่างไร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 มันสนุกในะเรื่องนี้นะเป็นการเรียนชีวิตตรงๆนะมันมันไม่ใช่โยไมไปอ่านตำราที่ไหนก็ไม่เจอเหรอกในการที่จะมาแก้ไขเราเนี่ยแต่เราจะเกิดการประสบการณ์ที่จะแก้ไขตัวเองนะดังนั้นเองในจุดนี้อย่ามองข้ามถ้าหากว่าโยมได้เรียนรู้สิ่งเล็กเลียน้อยตัวนี้ตลอดทั้งวันนะ่ยมันได้เยอะเลยนะหน่วยเท่าจะว่าเป็นหน่วยขนานั้นคือหน่วยกิจนะ มันเคยได้เยอะขึ้นในการเรียนรู้เพิ่มหน่วอกิจให้กับตัวเองนะเมื่องั้นโอโ้เวลาผ่านไปแต่ละนาทีเอาคืนไม่ได้นะถ้ายมมานั่งที่นี่วันนี้ยิบสี่ชั่วโมงนะถ้ายมไม่ได้ไรายละเอียดของชีวิตมากเท่าที่ควรจะขาดทุนนะใช่แต่ถ้าได้สิ่งนี้ไปแล้วโอ้โหมันมันเทียบกับราคาค่างวดไม่ได้เลยมันมีค่ามหาศาลนะมันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราทั้งชีวิตอะใช่ไหม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 ใช่ไหมเพราะขนาดตัวโครงสร้างหลักของมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้ต่างกันนะมนุษย์ทุกคนมีโครงสร้างหลักคืออะไรโยมมนุษศักดิ์กายกับใจใช่ไหมรูป ก, กับนามถ้าสี่ขันธ์ห้าแค่นั้นเองโครงสร้างหลักไม่ซับซ้อนอถ้าสี่ขันธ์ห้าของธนรมะปีก็ของโยมก็เป็นอย่างนั้นแหละแต่เราต่างกันตรงไหนต่างกันตรงกล่องใช่ไหมการกระทําอ่า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 คำดีคำเชื่ออันนั้นเ้าเรียกรมที่มันเป็นหลักภายนอกหลักสังคมนะแต่กรคำในส่วนตัวของเราอะอยู่แค่สามกรรมกายกรรมวิชีกรรมและมโนกรรมและไอ้สามคำนี่มันไปสร้างสองรมขึ้นมาใช่ไหมคำดีคำเชั่วขึ้นมาถ้ามันมีไอ้สามรำนี่ก่อนไอ้สองคำมันเกิดไม่ได้ใช่ไหมอ่า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 แต่ในส่วนกายกรรมของเราจริงๆคืออะไรมันถี่กว่านั้นเยอะเลยไม่ใช่ห้าสามข้อห้าข้อตั้งแต่หัวจุดเท้าเราเคลื่อนขยับเคลื่อนเอื้อนไว้ตรงไหนเป็นกรรมทั้งนั้นเลยนะเป็นกายกรรมทั้งนั้นเลยการถ้ายกมือสร้างจังหวะเป็นกายกรรมกายกรรมที่เป็นกุศลอกุศลยกมืออย่างเงี้ยถ้ายกไปโดยใจลอยลไม่ใส่ใจไม่สนใจยกไปเฉยๆเนี่ยเป็นอกุศลนะ ใช่ไหมเพราะอะไรเพราะไม่ได้ทําให้ฉลาดขึ้นเพราะกุศลแปลว่าฉลาดใช่ไหมแน่ทาไปจิตไม่ใส่ใจไม่ตามยกไปว่าวาบวงเนี่ยเป็นอกุศล น, นะเนี่ยกรรที่เป็นอกุศลไม่ต้องไปทําไม่ต้องไปฆ่าสารักเล้าเลยใช่ไหมแค่ยกมือก็เป็นความตั้งเป็นออะไรนะ่ะเป็นกรรมที่ดีอนะแต่กลับเป็นอกุศลเพราะจิตไม่ใส่ใจไม่ตาที่ตั้งใจรู้ชัด รู้ความหมายว่ายกเพื่ออะไรยกเพื่อดึงใจมาอยู่ปัจจุบันใจมาอยู่ปัจจุบันแล้วมันเห็นอะไรเห็นกายเห็นใจเห็นความรู้สึกชัดเจนกลับว่ากรรมนี้เป็นกุศลยกมือเมื่อกันแต่เป็นกุศลเพราะเกิดการรู้การเห็นขึ้นมาเกิดทำให้จิตใจรู้จิตใจฉลาดขึ้นมาเป็นกุศลกรรมนี่ดังนั้นสิ่งเหล่านี้จึงอยากจะใหะ้เวลาวิธีการอวเทียนนั้นเราเน้นให้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 ถ้าศรัทธาเราเข้มแข็งเราก็จะทําอย่างข ม, มิ้นขมันทําอย่างเอาใจใส่ตั้งใจถ้าศรัทธาเราอ่อนก็ทำบ้างเล่นบ้างจริงบ้างไม่จริงบ้างอะไรนี่มันก็จะวัดถึงกําลังตัวนั้นวัดถึงปริยะวัดถึงความเพียรใช่ไหมถ้าเพียรเราอ่อนแล้วก็ทําทิ้งบ้างควางบ้างทําไม่ใจจิตไม่ใส่ใจไม่ตา้แต่ถ้าเพียนความเพียรเรามีกําลังมีเข้มความเข้มแข็งเราก็จะตรวจสอบการจะทําของตัวเองเลยใช่ไหม ตรวจสอบค ว, ความเพียรที่ถูกต้องตรวจสอบอยังไงหนึ่งเราได้ระวังหนังสิ่งที่ไม่เข้าท่ามันจะเกิดขึ้นกับตัวเองไหมสิ่งที่จะเป็นไม่เข้าท่าไม่ไม่เป็นกุศลสิ่งที่จะทําให้เสียผลประโยชน์สิ่งที่ทําให้เสียเวลาเนี่ยระวังสิ่งเหล่านี้อย่าให้มันเกิด อ, อย่าให้มันเสียเวลาอย่าให้มันไปทําแล้วเครียดเกินไปทําแล้วมันลำบากใจเกินไปทําแล้วอึดอัดเกินไปทําแล้วมันง่วงทําแล้วมันเหงาทําแล้วมันขี้เกียจเนี่ย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 ไม่ได้มันต้องเกิดถ้าเกิดแล้วจะต้องทําะไรใช้กฎที่สองคือรัดตัดประหารบำบัดขจัดแก้ไขนี่กฎอันที่สองนะนี่คือเพียงถูกอันที่สามการที่เราจะมีกําลังรู้เท่าทันเพื่อฉลัดตัดละในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาอนะไรมันจะต้องมีกําลังเส่วนหนึ่งกําลังของการรู้เท่าทานันกำลังรู้เท่าทันตัวนี้เราจะต้องเพิ่มเราเรียกประการเพิ่มพูน ด, ด้วยการภาวนาทําให้มากขึ้น เมือ่อมันมีมากได้ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยพอเมื่อถูกใช้ไปมันก็ต้องหมดใช่ไหมทีนี้จะทำไงต้องรักษาให้มันอยู่ในระดับเดิมรักษาอยู่ระดับเดิมถ้ามันทํำท่าจะพร่องไปเอาเติมทํำท่าจะพร่องไปเติมอะไรพร่องก็สติสมิญญาของเรานะเป็นภาวะยังไม่คงที่ใช่ไหมเอ๊ะอรู้สึกตัวดีๆแล้วทำไมมันลืมมันหลงไปแป๊บอ่ะนี่ก็คือการอนุรักษ์การรักษา กำลังของมันให้คงที่นี่เขาเรียกว่าเพี้ยนถูกนะต้องมี definition หรือมีนิยามทั้งสอย่างหนึ่งระวังสิ่งที่เราไม่ต้องการอย่าให้มันเกิดสองเพราะว่าเราบังคับไม่ให้มันเกิดไม่ได้มันต้องเกิดต้องใช้วิธีแก้ไขบําบัดตัดรอนออกไปสามเพิ่มกำลังของการรู้เท่าทันให้มากขึ้น 4. รักษากำลังรู้เท่าทันนั้นให้คงที่เอาไว้อย่างเงี้ย เรียกว่าการเพียนที่ถูกต้องไม่ใช่ว่าเออทําอย่างตอนนง่อเนื่องยังไม่หยุดไม่หย่อนไม่พ่อนไม่พักโดยที่ไม่มีกดทั้งสีข้อนี้เข้าไปช่วยเลยนะก็ไม่ใช่เพียนที่ถูกต้องแหละนะอันนี้กําลังของความเพียนนะเราจะต้องมีกําลังตรวจสอบกําลังในขณะที่นั่งทําเนี่ยกําลังความเพียนของเราถูกต้องไหมก็มาเช็คตามที่วันอันที่สามกำลังสติของเราเพียงพอไหม ที่จ ะ, จะรู้ได้ไงพลังสติของเรามีแค่ไหนเนี่ยกำลังสติที่ถูกต้องหนึ่งต้องสํารวจตรวจสอบเรื่องของกายของเราเนี่ยการลุกการนั่งการย่างการเดินเป็นไงสบายหรือไม่สบาย ป, ปล่อยโปร่งรู้หรืออืดอัดขัดเครื่องหรือว่า ป, ปล่อยโป่งตรวจสอบ น, นี่คือเรื่อว่ามีสติขั้นที่หนึ่งตรวจสอบกายสติขั้นที่สองตรวจสอบความรู้สึกภายในตัวเราเนี่ย สุขสบายหรือไม่สบายตรวจสอบอันไหนที่มันไม่สบายก็แก้ไขออกไปอันนี้ที่มันสบายแล้วก็ไม่ต้องไปเสพดูมันไปเรื่อยๆอันที่สามเข้าดูว่าขณะที่ทำอยู่เนี่ยใจมันแอบไปคิดอะไรบ้างใจอยู่ที่ไหนแล้วมันอยู่อย่างไรมีอะไรไปบล็อกมันไว้หรือเปล่ามีอะไรไปบังคับมันไหมเกิดความรู้สึกอึดอัดขัดเคืองลึกๆหรือเปล่า ตรวจสอบให้ละเอียดเลยเรามีจิตจะรู้สึกอย่างไรตรวจสอบไปจนจิตเ้าปกตินะโล่งโปร่งเบาสบายอันที่สี่ขณะนี้เรารู้สึกอย่างไรอารมณ์เป็นยังไงอารมดีหรือไม่ดีอารมณ์ที่มันเป็นกุศลอกุศลอารมณ์เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ตรวจสอบลงไปเป็นชั้นเป็นชั้นนี่เขาเรียกเป็นสติที่ถูกต้องนะ สมาธิคือความตั้งใจมั่นมีกําลังในขณะที่นั่งหรือมีสมาธิมากแค่ไหนถ้าสมาธิที่เป็นทื่อๆสมาธิแบบสะกดสมาธิแบบบีบบังคับมันก็จะอยู่ได้ไม่นานน่ะเดี๋ยวก็มีอันต้องเป็นนั่งง่วงบ้างเบื่อบ้างนั่งหลับบ้างนั่งเข้าสมาธิตัวโขงตัวงอไปบ้างก็บีบรัดตัวเองบ้างอเป็นสมาธิที่ไม่ถูกละสมาธิที่ถูกเป็นยังไง สมาธิถูกหนึ่งตั้งมั่นในปัจจุบันอะไรเกิดขึ้นนะเห็ น, นสองทำให้จิตใจของเรากระพี่กระปล่าแจ่มใสไม่สลืมสลือไม่ง่วงเงานี่นี่น ส, สมทสมาธิถูกแล้วสามคล่องคล่องว่องไวคล่องตัวไม่อาดยืดยาดหรื อ, อนั่งนิ่งหลับดับดิ่งลงไปไม่นะ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 ทำไปทำมาสักพักมันเบื่อเฮ้ยเบื่อนี่เป็นอะไรจับมาชาแหละทันทีเลยใช่ไหมเคยไหมเคยําแหละความเบื่อไหมไม่มีมีแต่มันชาแหละเรานะเราไม่เคยชาแหละมันได้เลยมันมีแต่มันจะชำแหละเราเละทีนี้ต่อไปไม่เอานะเราต้องชาแหละมันว่างแหละลากตัวมันออกมาเลยนะความเบื่อเป็นอย่างนี้อ่ะเอามาดูงนี้มาเป็นไงหน้าตาเป็นไงดูนี่ดูเบื่อให้ชันดูใหม่ดูที่มันเป็นยังไงทดสอบเลย นะหรือบางทีนั่งไปนั่งมา ง, ง่วงแต่ส่วนใหญ่เราไม่ทันมันแหละรู้ว่ามันจะมันง่วงมันข้ามเผลอไม่ได้เผลอ ง, ง่วงไปเลยนะมันไวมากนะข้อมูลเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นชงนาเช้านี้เกินนำแค่นี้เดี๋ยวจากนี้ไปถึงสิบเอ็ดโมงนะเมื่อวานนี้สองชั่วโมงที่เราทดสอบมีคนผ่านแค่สี่คนผ่านสองชั่วโมงนะ ผ่านหนึ่งชั่วโมงได้หหรือเจ็ดคนผ่านได้ครึ่งชั่วโมงเนี่ยหลายคนผ่านได้ครึ่งชั่วโมงไปแล้วลุกไปทั่วเลยโดยเฉพาะยายไม่ได้เลยลนะครึ่งชั่วโมงไปใครไปมันแล้วมันเนี่ยเพราะฉะนั้นจากนี้เก้ามงถึงสิบเอ็ดมงก็มไม่ว่านะใครทําได้แค่ไหนก็แค่นั้นน ะ, อ, ะอย่าไปบังคับตัวเองแต่ถ้าคนไหนฝึกในการบังคับตัวเองอย่างมีเทคนิคอย่างมีอุบายและโอเคได้ แต่คนไหนบังคับเพื่ออยให้มันเติมสองชั่วโมงโอ้ทุกเดือนตายนี่อันนี้ใช้ไม่ได้ในะถึงได้สองชั่วโมงจริงแต่มันไม่ได้เปอร์เซ็นนะนะมันทุกแต่ทำสองชั่วโมงทําอย่างสนุกสนานได้สองชั่วโมงตรงนี้มีคุณภาพผ่านนะต้องดูคุณภาพของนั้นด้วยตกลงว่าเราจะเดินก่อนสักพักสักสิบ้านาทีแล้วค่อยนั่งเนาะก็ถือว่าเป็นสองชั่วโมงเหมือนกันนะอ่ะเคลียร์พื้นที่ที่ตอนนั่งเดี๋ยวนั่งนั่งจะไม่นั่งแบบนี้นะเราจะนั่งเป็น ลักษณะมุมครมุมมันเดี๋ยวจะจัดมุมให้ตนนี้เราเคลียร์พื้นที่แล้วก็ดึงจุกรมเลยก่อน